เป็นเรื่องจิตหลายสรั้งหลายหนแหละบางคนเนี่ยมันจะูลจิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเกิดมาด้วยกันจิตเนีน่ยไหนมาเกิดทีแรกจิตปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิสนธิที่แรกก็จิตนั่นแหละมาเกิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนเป็นตนเป็นตัวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตแต่ไม่นนรู้เรื่องของจิตเหมืนอนยากที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต อาการมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงามันตัวจริงเรไม่เห็นเลยซึ่งมันเป็นการยากลาบากที่สซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ปลากดคือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัวจะจับให้ดูมันก็ ตัวแรงต่างมันไม่ได้อะไรสิล่ละทำยังไงเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคาพูดน่ะมคำว่าจิตบวัยใจคําว่าจิตว่าใจนั้นก็คําพูดแต่ตัวพูดนั้นจะอยู่ไหนก็ไม่สาวคาว่าจิตว่าใจน่ะแม่สาวจะอยู่ไหนเป็นแต่ลมพ่นออกมาหายปากกดเสียง อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมให้ใจยังวก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจพอกั้นลมทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีนะ่นเน่ยมือปรากดมีตัวอยูนะ่มันยังมีอยู่นะคำว่าไม่มีมันยังปราบกดจะมีอยู่นะ่ะ ผู้ว่ามีนล้วนะผู้ที่นปรากฏ ร, รู้สึกว่ามีแลนะอันนั้นคตัวใจนันได้คิดนนึกไปรู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนั้นเป็นตัวใจตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกขาออกไว้จากนั้นละออกจากกุนั้นละ มันคิดมันเนืความตรงมันแต่งมันจบจำนั้นนีอะไรต่างสาระการตัวอย่างท่านท่าในไม่มีใจมันก่อนในมีอาการมากมายแล้วคนเราที่บ้าก็ไปก็เพราะมันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสียท่านท่าหามันมีจิตนะมนจึงลืมตัวหลงตัวเสีย ท่านมีใจอันเดียวแล้วไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียวไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงทึ้งเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานท่านาอธิบายในธรรมอธิอธรรมมีสี่อย่างจิตเจตสิกรูปนิพพาน แต่ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจคือว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดอยู่หรอในที่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจาพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิตถึงเรื่องลูกทั้งนี้เรื่องนิพพานทาไมนมีลูกมันก็ไม่ทราบจะทาอะไร นิพพานราทําไม่ได้ทำแล้วมีลูกยังมีจิตยังเจได้จิตเครื่องเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอยา่ากมาแล้วโกรธอย่างเงี้ยถ้ามันมีความโกรธอันนี้ได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่ดุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธนะ่ะอันนี้เจไดจิตความโกรธของ เพียรแค่ไหนแต่างต่างจนกระทั่งพญพาตอาคาตนั่นนะที่เป็นเจตสิกบุญคุณสมหน้าต่างมันเกิดขึ้นเพราะเจตสิกสนับส น, นุนถ้าหากไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็ไม่ไมแรงหลวงพ่ามาเสียบเหมือนก็ท่านในสมัยใหม่เขาพูดว่าพลังของใจเอง เนี่าหลังของใจคือเจตสิกเจตสิกเนี่ยวุ่นวี่วุ่นวายสาระัจจุย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไรที่นึกปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างคือ ล, ลืมตัวเลยไม่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เข้าถึงใจแา้ทีเห็นได้เง้าหากอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทำอย่างอตมาพูดนั่นแหละ กั้นลมหายใจเหมือนกันทุกคนนั่นแหละมีมดตัวใจแท่งก็มีเหมือนกันรันลมท่า น, นะ้หมดเลยหยุดหนึ่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ใ้ชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจใจ <c oughs> ในที่นี้จิตรใจในที่นี้นัน อธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจคือของเป็ น, นกลางท่านว่าจิตในใจอนันใจในใจิตอนันแต่ม่ท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแตกกันอยู่ลักษณะอาการแตกต่างกันอย่แตกด้วยเหตุนี้แหละหน่วยการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นใน ใ, นใจแท้ กั้นลมาใจเท่านั้นเงียบหาให้เลยจะรู้สึกอยู่ของมันเพื่ของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่เอียงเอียงทางโน้นทางนี้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่อยากไม่ละเอียดอันนั้นเนี่ยว่ะใจใจคือตัวกลางที่เข้ามาทําอกทํากลางอกนี่แหละที่ว่าเพราะใจคนที่ไหนล่ะ ที่้ก็มาทํากลางปกตรงกลางนั่นแหละใจแค่แท้แท้ที่จริงหาได้อยู่นั้นนั้นอยู่ทั่วแหวงงดทีบปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมก็มีใจนั่นแหละไปอยู่เจ็บปวดโน่นนี่อะไรต่างก็มีทุกอย่างเขาจะหาเจ็ดตรงนั่นอ่ะพี่ตรงนั่นอ่ะที่ปลายเท้าปลายมือคน ที่ศีรษมันอเราไปเจียดตรงนั้นน่ะมันวิ่งไปตามวุ่นั้นน่ะแม้ที่ต้นไม้เราเอาใจไปไปใส่ต้นไม้ต้นไหยมันยังอยู่ในใจก็กลางมันข้าก็าาหัดจนกระทั่งต้นไม้สั่นสะเทือนน้นน่นอันใจของเราก็อยู่แต่เราไม่หัดอย่งังไงเราเราหัดดูด้วยเฉยนี่แ ดูว่ามันเห็นใจของจริ ง, งตัวใจเดิมไม่ใช่วยนี่แหละนั่นเรียกว่าใจส่วนจิตเันคิดนีสรภาทุกอย่างว่ามีขอบเกติงนั้นในจิตจิตแต่เ พ, พื่อผู้คิดผู้นึกในทางธรรมะจะว่ามโนพุ้พังสมาธาธรรมทั้งหลายมีใจถึ้งก่อน มโนเศษฐามโนมยาใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วเลือใจมนัสสาเจประสันเนนะอาคติวะอาตุติวาแม้จะพูดจะจ่าสาระทุกอย่างก็ต้องใจนั้นเป็นคนถึงก่อนแต่ยังเคยพูดตรงจาได้ทพูดเหมือนกับเรื่องใจงพูดเรื่องจิตจะงี จิด ต, ต่งพัยสัณนอาการทุกขเจนกิเลเจนิจิตเป็น ข, ของของใสสะอาดตลอดเวลาอคันทุกาจกิเลสต่างหากดอกนั่นที่มันเศราหมองที่ที่เราเศราหมอง น, นั้นอทุกข์กิเลคือกิเลสจอดมาแล้วเี่ แต่จิตนั่นแหะไปนึกไปนึกไปคิดไปปุงไปแต่งแต่จิตนั่นแหละไปชวนโอกิเลสมาอันนั้นท่านยงเรียกว่าจิตถ้าหากว่าจิตต่งพสะสัง้ะถ้าหากจิตนี่ไม่พร้อมใส่ตลอดเวลาเราทำความสะอาดไม่ได้ครับจิตทุกคนทำความสะอาดไม่ได้นะ ของไม่สะอาด จ, จะไปทำยังไงมันมันมันะอาดมันก็ไม่ะอาดได้ธรรมชาติมันของตกปูกระไม่สะอาได ไ, าอ ไ, อาได้เลยยากที่เป็นแร่เหล็กกด็ดีหรือเป็นแร่ทองคำแระแร่ทองกด็ดีที่มันตกอยู่ในดินนะั้นมันไม่ทันจเป็นไม่ก้าสารก็ยังคิดไม่ได้อีกจนว่าหูมาต้มแล้วไปฐานใด มันเป็นก้อนเปนกลุ่มแล้วยังคอยสะอาดเพชรนินกินดาที่ตกอยู่ไหนยือเป็นเป็นดินมันใสสะอาดอยู่แตเดิมมาแล้วมันม้วนหมองก็เพียงว่าอาคันบุการิเลสเรารขัดอันนั้นออกไปแล้วจะได้ไงอนนั้นออกไปแล้วอันของอาคาันบุการิเลสมันออกไปหมดแล้วมันก็ใสเก๋วตามเดิมของใสอย่างเดียกันกิเลสเข้าหมองในจิตนั่นก็คือว่า มันออออเอามันตะกัดกิเลสในงอแงสมองเขาเป็นของฟองใสถ้านีัทําไม่สะอาดได้ที่เราหัดมีหัดทํากิเลสให้มันหมดนั่นแหละทำกิเลสให้มันหมดจ น, นสิน้นเรื่องเราทําเพื่อขัดเกลาเพชรอันนั้นแหะเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิม ยังมาให้พาทังเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเชียทำความเพียรเพาะนามาสักเท่าไรเท่าไหรก็ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่สะอาดไปชำระตรงไหนของสะอาดไม่รู้จักอะไรเึ็ของใสาสะอาดคือพลิกใจนั่นเองเป็ของสายสะอาดเมือนกับเชสนั่นเองแล้วมาขัดเพทสน่ะ มันใสสะอาดมันเจลไหนมัน ใ, น ใ, นใสสะอาดมันก็ผ่องใสขึ้นมาแล้วทีเรา้จักเผ็ดถ้าเราอยากจะจะไปเอาไหนมาทําความใจ ส, สะอาดอาการดุจกิเลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความปวดความหลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาแนา่น คือมันหฮมห่อเลปกปดิดนิดว่าที่จริงมันโกรธความโกรธน่ะหนาแน่นทึบอยในตัวเลยจนกระทั่ ง, างมาเห็นตัวมันกรเจอไม่รู้สึกตัวแล้วยามยาไม่ต้องไปรู้สึกตัวในสาวเราโกรธ น, น้าดึงหน้าเบี้ยวเห็นหน้าการภายนอกหน้ายักนามานเห็นหนาการภายนอกเท่านั้น เห็นทั้งภายนอกเอลยเงียันใจแล้วมันไม่เศราอยู่ไหนกันขุนมัวคุดในคิดขุนมัวเศร้าหมองมันนั้นตลอดเวลาต่อเมื่อไรน่หายจากโกรธแล้วค่อยใสยสะอาดจะมารู้ตัวะะแล้วครับคนไม่รู้ตัวมันก็ ย, ยากเหมือนกัน สาวเลยทำยังไรคนเราถ้าหาไม่ร <standby> ู <ler> ้ตัวแล้วซ้อนเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอนให้เธอสอนเท่าไรก็สอนมาเธอไม่เข้าใจโบราณนเาว่าหนามันหนาขึ้นกิเลสหนาไม่ใช่หนากิเลสมันหนา ถ้าหากคองสาสะอาดแล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจพรรู้เรื่องได้คือมัคอยมันคอยรับอยู่ตัวสะอาดมันคอยรับธรรมะสะอาดมันคอยรับเสมอเสมอพอข้อพูดนิดหน่อยก็เลยรับได้ทันท่าหาว่ามันหนาทึบอยู่นั่นแทนที่จะเข้าใจเลิกกลับกลัวจริงกว่าเก่า มีคนในคนหนึ่งมาพูดตักเตือนก็ว่ายิ่งเขเก่าเขาท่านดีก็หาว่าเขาทำเยอ่ยเยอะๆเขาทำเท่ายิ่งซ้ำหลายเลยก็เก่าเลยไม่มีดีสักอย่างเหตุนั้นนี่ยว่าทุกคนที่เรามาปฏิบัติปฏิบินี่ก็ต้องการชําระวใจให้ตดเขาให้เข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องเข้าใจมากมายแล้ว แล้วก็ดูนั่นแหละให้เห็นจิตเห็นใจของตอนนั้นแหะจิตเป็นไงใจยังไงเขารู้เรื่องของจิตของใจท่านละดูเฉพาะตท่นั้นความรู้อันนั้นน่ะเรียกว่าวิชาเัารู้ใจของตอ น, น, นเป็นวิชาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะไปหาไหนอีกปัญญาวิชาจะไปหาไหนทั้งนี้ก็นั่นแหละไม่รู้ตัว รู้ตัวรู้ตนนั้นแม้มันแสบพิเศษแล้วนะจะมาหาในอีกถ้ารู้ตนนัวรู้ตนมันก็กลับตัวกลับ ต, บตนได้นดั่นเองเข้าหมู่เข้าสังคมได้นดั่นเองถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็ไปหน้าเดียวใครจะว่าแห้แต่ไปหน้าเดียวไม่ยอมใครมั้ย นานแนะครัาก็โยกหมูกับเพื่อนก็ไม่ได้ครบค้าสมาคมใครก็ไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่ลเลยทาเนียคคบหมูเพื่อนไม่ได้ยิ่งโกรใหญ่เลยน้อยใจใหญ่เละไม่เห็นตัวเองเห็นเรื่องของตัวเองคิดจะนาทั้งเรื่องตัวเองเลยเอ๊มันมีผิดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนเรื่องมองตอนแรก็แก้ไขแต่หมดเรื่อง คนเรากับที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่ได้เพราะเหตุนี้อนเองแตมาเคยไปเที่ยวป่าอยู่ก็กพวกป่าก็กมูเซองั้นเห็นได้งะเห็นได้ชัดคนไหนไม่ถูกเพื่อนเน่หมู่ก็ทิ้งหมดอยู่คนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครบากหรอก รู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นรู้เลยทีเดียวแหละไอ้ น, นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้เขาบอกว่ายกนีง่ายนี่งเวลาหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบอเขาเปล่าขนของมีอะไรหรอกมีผ้าคลอนถนอมพุทธสองตัวแล้วก็ป้าปนอยู่เลยเปิดหนีเลยการฆ่ามันเกินป้าย น, นี่ก็หนี ไอ้หนีไม่นจะสกลก็ไปนอนอยู่นั่นแหละนอกบ้านนั่นนหะนอนแน่ไม่ก็นอนหรอกมันคนป่าคนบุศย์มันถ้าบอกท่านท่ามันไม่มีอะไรมันเห็นไดง่ายถ้าหากับคนเราได้อย่างนั้นจะดีมากเทียบเป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานในตัว นี่ยขอให้พิจารณาตัวเองเถอะทุกคนนะใครๆก็ถ้าหากเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลานั่นเนี่ย่ อ, อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกการฝึกหัดดัด ก, กายวิายาใจก็หัดของพวกนี้หละมันเข้าหมู่เข้าคณะอะไรนี่แหละเอาละตอนนั้นน่ะ เอาใ ห, ให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างองไงให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องก่อนคิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้า ธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาเวลาทั้งแรกทั้งฝนแล้มันแตกออกเป็นตีเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นนอกมันเป็นในคลื่นเป็นนรกนั้นก็บุญเมินมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็น งอ่ำขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำมาเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ามาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ามาเป็นก้อนนนั้แล้วก็แตกไปสฉลบไปตามมาเนีะนะ่ยแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่ น, ว, น, ว, น ว, ว่าอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดยังไง แต่ น, น้ำอะไรเขอเขาแห้งเรี้ยกเรียกต่างๆกัไปอีกใจก็คือ น, น้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อย ห, หรือว่าเป็นนอโลอะไรต่างๆคือจิตัมันมันอันเดียวกันอะไรแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั่นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกัน ท่านจะเรียกถ้าไม่แตกไม่ตางทําไม่เรียกหรอกท่านี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากจะรู้จริตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยเฉยซะก่อนนั่นแหละตัวใจนี่มันเป็นคลื่นเป็นน้อกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรทั้งตางเกิดขึ้นมาเกิดมาจ่ายเห็นง่ายแอะคะนี่ พูดง่ายคราวนี้ครั้นเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมัก็ปล่อยอย่างเราไม่วางก็วางอย่ามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นจริงสรรพัดมันเป็นสารพัดทุกอย่างตัวอย่างแต่มันเกิดดับไ้าเป็นน้ำไมต่างเดินแล้วเ็าจะไม่ไปยึดหรอกแล้วก็ไมจะส่งคือจิต ไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามไ่หรือหาก็ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องนอกเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉย อ, อยู่แคกว่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบ มันมีการอยู่นิ่งทําความเปลี่ยนเพราอน า, าไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชํานี้ํานานให้มันอยู่ได้นานครับเทราะอะไรยิง่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยแต่คู่เป็นคณะ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 ถ้านงานก็ยุ่งหรือตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสวายอยู่ตรงนั้นแหละทำไมาต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานหรอถึงนิพพานน่ะนะไม่เช่ันิพพานอยู่ตรงไหน เราอาคงทุกข์แล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเยอเกินทุกข์ยากเยอเกินเยอเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข์เข้งข้นสดๆเลยเท่านั้นก็พอแล้วมันก็นมีผ่านอย่างไรแต่ชางคือ